หน้าที่พระสังฆาธิการหลวงพ่อให้โอวาตพระลูกวัดรูปหนึ่งที่มาขออนุญาตไปอบรมพระสังฆาธิการไปอบรมมาทำประโยชน์ไม่ใช่อบรมมาต่อต้านกันหน้าที่พระสังฆาธิการต้องนำหมู่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาดบิณฑบาตไม่ให้ขาดลงฉันที่ศาลาไม่ให้ขาดชั้นในบาทเป็นวัดชั้นหนเดียวเป็นวัด